ต่อไปนะครับอันนี้ได้นะครับนะต่อไปการาสิกขาการาสิกขานี่ก็ต้องมีองค์ประกอบนะครับถ้าไม่ครบองค์ประกอบก็ไม่เป็นการลาสิกขานะมันก็เหมือนกับว่าเป็นผ้าออกไปทําตัวอย่างนั้นนะความเป็นผ้ายังติดไปอยู่นะครับไม่ได้เลยต้องทํางานสิกขาให้ถูกต้องกันนะเนี่ยก็เรามาดูเพรวเป็นยังไงข้อว่าที่ครูนางสิกขาสาชีวัสมาปโนโ ถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพของพิสูุน์ทั้งหลายความว่าเข้าถึงสิขาคือที่สีลสิกธิ์อันที่ศีงของพิสูุนทั้งหลายและสาชีพคือสิขาบทพบพบพบที่พักผ้าทรงมันอย่างไว้นะครับเดียวแค่นี้ก่นนะครับที่ละสามนะถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพนะครับตรงนี้จะมีความอธิบายว่าสิขากละสาชีมีความแตกต่างกันค สีขาทีนี้ได้แก่อธินาสีนัสสีขาเป็นตัวสีเป็นตัวสภาวะปรลลมันนะครับคือตัวสีเลยนะอองค์ธรรมคืออะไรคือวิรติเป็นต้นนมันจะมีวิรติแล้วก็เจตนานะบางอย่างไม่ตัวสีไมนเชื่ว่าวิรติอย่างเดียนะครับเป็นเจตนาเข้ามีเจตนาของบเป็นสีเจตนาสิก็เป็นสีสังวงก็เป็นสีใช่ไหมถ้าในวิสิิี่มานะครับนี่นะ่างนี้อธินาสีนัสสีขา เข้าถึงสินค้าเกินที่สีหอมวิสูทั้งหลายอ่าที่สินค้าที่นี่หมายถึงอะไรนะครับท่านก็บอกว่าได้แก่ปาติโมกกับสังวอรัสีนะครับชื่อว่าที่สิกค้านะท่านบอกว่าอ่าสีนะครับสีห้าก็ดีสีสิบก็ดีไม่ได้ชื่อว่าที่สีนะสีก็ปาติโมกัสอะครับท่านท่านเรียกว่าที่สีนะทําไมได้ชื่อว่าที่สีนะ พ่อเป็นศีลที่เป็นปัจจัยนะครับเป็นเหตุปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานนะจิน่ดนชื่อว่าศีอันนี้ที่บาตไม่เข้าใจง่ายๆนะครับถ้าตามที่ท่านที่บาตไว้ตรงนั้นนั้นเขาบอกว่าศีลที่เป็นบาตแห่งศีลที่เป็นโลภุตระนะครับชื่อว่าศีลอันนีตรงนี้นะเป็นบาตฐาที่จะให้เกิดตัวศีลที่เป็นโลภุตระนะครับศีลในมรรคจิตก็คือตัววิลิยติที่เกิดในมรรคจิตนะมีอะไรบ้าง สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะใช่ไหมเนี่ยสีที่เป็นบาปฐานให้เกิดสีนในมรรคของนั้นแหละอนี้ชื่อว่าสีสีท่านก็เอาได้แก่ปาฏิโมกขสัขงวรสนีนะครับท่านบอกว่าปาฏิโมกขสังวรสี น, นะอ่าเป็นสนีที่ยิ่งก็คือสูงสุดกว่าสีที่เป็นโลกีย์ทั้งหลายทั้งปูน่นะเหมือนกับอะไร เหมือนกับนะครับผ้ า, าทิพยนะที่ประเสริฐกว่าสิ่งที่มีแสงสว่างทั้งหลายแล้วก็เหมือนกับภูเขาสีเนืนุที่ประเสริฐกว่าภูเขาทังหลายทั้งปวงนะครับอย่งนี้ไม่ใช่ว่ายิ่งนะทีนี้ถ้าบอกว่าอปลาจิมโมกษะสังวรสีในย่อมเป็นไปในพุทธบัตรเท่านะั้นเป็นไปในการที่พระเจ้าเสวยบัตรขึ้นเทนะ่า น, นั้นนะครับตอนพระเจ้ามาเสรวยบัตรขึ้นเนี่ยปลาจิมโมกษะสังวรสีไม่มีนะ เว้นแม้ผู้ได้เจ้าเสียแล้วนะครับบุคคลอื่นสัตว์อื่นนั้นไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาบรญยัติได้ น, นะครับเพราะสมบติธรมุทธเจ้าเทนั้นแหละนะถ้าผู้ได้เจ้าผั้งหมายนะครับเท่านั้นนะอะทรงตัดซึ่งกระแสแห่งอาชาการความเพิ่มผิดทางการละวาฌาด้วยประการทั้งปวงนะครับทรงบรรยัติสินสังวรนั้นนั้นสมควรแต่แก่การก้าวลุ้นนั้นๆนะครับ เนี่ยนะเขาบอกว่าสีที่สัมปยุตธในมรรคและผลนะชื่อว่ า, าที่สีแม้ยิ่งกว่าปา่าจิโมกษังวรัสสีนะั่นที่สีนี้แบบก็คือสีที่สัมปยุทธในมรรคและผลเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าสีที่ใสนะัะสัมปยุทธในมรรคและผลถ้าไม่มาสองวัในที่นี้นะครับไม่ประสงค์ในที่นี้เพราะอะไรเพราะคนที่ ถึงเพราะว่าสีที่เป็นโลกุตละนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีการเสกในถุงหรอท่านก็เลยไม่เอาเ อ, าอันเฉพาะผู้ที่เข้าถึงสีปัดหมดสวรารสีสีตรงนั้นแหละของใครก็แล้วแต่ขึ้นมารู้มาผลนะถ้าว่าตุสภาวมาสีเนี่ยก็เว่ายิ่งนะยิ่งกว่าชื่อว่าที่สีน่ะกว่าปัดหมดสองวรารสีนี่นะนะในนี่หมายถึงปัดหมดสองวรารสีธรรมดา และสาชีพข้าถึงสาชีพด้วยสาชีคือสิกขาบทที่พระพ่อทรงบัญญัติไว้ซึ่งเป็นฐานะที่จะทําให้พวกวิสุทอยู่ร่วมกันมีความเป็นอยู่อันเดียวกันมีความประพฤติเสมอกันด้วยการศึกษาอยู่ในสิกขาและสาชีพคือสิกขาบทนั้นนะครับพระวินัยบัญยัติสิกขาบัญญัติที่พระเจา้าสรงบัญยัติไว้นะครับชื่อว่าสาชีพนะสาชีพ้องแน่เพราะว่าเป็นฐานะ ที่ท้ไม่สูรอยู่ร่วมกันคือท้ายภาคมิสูรทั้งหลายเนี่ยมีความพเพิ่เสมอเหมือนกันมีความพเพิ่เสมอเหมือนกันด้วยการที่จะต้องเปิดเพืตอจามสิกขาบทบัญญัติพิทูลทมบรรญัติไว้เลยเพราะว่ า, าสิกขาทมบรรยัติไว้ยิ่งที่ว่าสาชีทําให้เป็นอยู่มีความเป็นอยู่อันเดียวความความเป็นอยู่เสมอกันนะครับนี่ความมีสิกขาและสาที่นึงเกี่ยวเนื่องกันนะสิกขาจอมนิพุน ด, ด้านก็มาจากสาชีใช่ไหม เข้าศึกษาชีพไม่รูงละเมิดพระบัญญัตินะครับไม่ไม่รงละเมิดพระบัญญัติรักษาไม่ได้นะก็ชื่อว่ามีสีสมบูรณ์นะครับเกี่ยวเนื่องกันอย่างครับเนี่ยท่านก็อธิบายว่าคําว่าสมาปนโนความว่าทำศีขาให้บริบูรณ์และไม่รวงละเมิดสาชีคือสิกขาบทชื่อว่าได้เข้าถึงสิกขาและสาชีทั้งสองทำศี ข, ขาเพื่อให้บริบูรณ์นะครับนะ อยนี้ถ้าอธิบายว่าทําสีทั้งสองอย่างให้บริบูรณ์นะครับก็คือสีทั้งสองอย่างเนี่ยมีวารีจัดสีและสาิจัีวารีจัดสีสีข้อควรข้อที่ต้องงดเว้นสาริจัดสีสีข้อความเบิกพืชอย่างเช่นสีผ้าปาจิโม่เนี่ยเป็นวารีจัดสีสีที่ข้อควรงดเว้นครับห้าเสร็จเมนถุงนี้เป็นต้นนะอันนี้ด้วยอะไรนะครับ ด้วยการงดเว้นสิ่งที่ไม่พึืนกระทําส่วนตนิสต์สิก็ทําให้บริบูรณ์ด้วยอํานาจการกระทําสิ่งที่พึนกระทําำนะหมายมความว่าทั้งสี่ข้องดเว้นสิ่งข้องคนมาเพิ่นนะทําให้บริบูรณ์ทั้งหมดต่อไปข้อว่าสิ่งค้าอปจักขายะทุทะยาอนัมิกตะวานะไม่บอกเพิ่นสิกข้าไม่กระทําความเป็นทุกข์ทุกข์คนให้แจ้ง ความว่าพิสู่เข้าถึงสิกขาใดไม่บอกคืนสิกขานั้นและเข้าถึงสาชีคือสิกขาบนญใดไม่บอกความเพอาะแท้ใจในสาชีจะมีอยู่สองตอนนะครับคือบอกคืนสิกขากับเปิดเผยความเพราะแท้ใจเป็นยังไงคุยร้ามข้าเหมือนว่าถ้าเป็นคำลาสิกขาเลยคำลาสิกขานั่นแหละเป็นคำลาสิกขาด้วย เป็นการเปิดเผยความเท้อแท้ใจด้วยแต่ว่าคําพูดบางอย่างน่ะเป็นแค่การเปิดเผยความเท้อแท้ใจอย่างเดียวมันได้เป็นคําลาสิกขาด้วยอย่างเช่นคําว่าอะไรครับคําว่าผมมันจนินี้ขัดกราวยิ่งนักเนี่ยผมอยู่ไม่ไหวแล้วอย่างนี้นะเขาเริ่มเปิดเผยความเท้อแท้ใจความหมดสรัทธาที่จะอยู่แล้วครับแต่มันไม่เป็นคําลาสิกขานะแค่บอกคอมันจนิสต์ขัดกราวยิ่งนะผคมมิวนินี้ทําได้ยากทําไม่ได้ง่ายเลย นั่นก็ทาไม่ได้นี่ก็ทาไม่ได้นั่นก็ห้ามมีนี่ก็ห้ามใช้โอ้ยไม่ไหวแนละ้วตื่ดีกว่าอะไรนี่นะอย่างนี้ น, ะนันเขายังไม่เป็นการาศิกษานะแค่เป็นการเปิดยความาท้อแท้ใจนี่ก็ฉันไมได้อ่านี่ก็ฉันไม่ได้นั่นก็ทำไม่ได้อะไรนี่นะเข้าสิกิสิทิมันจะมีถ้าจะพูดสิพเพานก็ะใจมีดก้ครับเนี่ยพูดถนงพรงมาจันรด้วยครับ ทีนี้เราเราก็มาดูนะมาดูคาอธิบายนะครับหน้าสามสิบหกในการลาสิกขานั้นพิสูจนัข้อทราบว่าการลาสิกขานะสําเร็จได้ต้องประกอบด้วยจิตเขตกางความพยายางบุคคลและการรับรู้เาาท่านจะอธิบายาต่ามลำดับนะครับจิตก็คือต้องมปนจิตที่เจริญเขาก็คือใช้คําพูดที่ถูกต้อง ในการสึ่อการคือเวลากามเวลาครับใช้คําพูดที่เป็นประยุกตบัญญัติความพยายามต้องแปลกวาจาเท่านั้นจะลาศิกขาด้วยหัวแม่มือนี้ไม่ได้ครับทำม้าทำมือนี้ไม่ได้นะอันนี้มังเข้าเลยไม่มานอะไรนี้นะไม่ได้คือถ้าแบบเกิดป่วยพูดไม่ได้นี่ละสึ่ไม่ได้นะครับสื่อไม่ได้ไง เนจะไม่ได้ไม่ได้นะต้องแต่งมาจังแล้วก็เป็นปัจจุบันด้วยนะครับเราจะอัดเสียงเอาไว้นะแล้วก็ไปเปิดครับเปิดฟังหลังนี้ไม่ได้เข้ามือปัจจุบันแล้วก็บุคคลนะครับบุคคลผู้เจตสุทธ์นะและคนที่ร่ำฟังต้องเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่บ้าบ้าอเนี่ยไม่ได้เป็นบ้าเสียสตินะครับคือรู้เด้อยกันต้งสองฝ่ายนั่น แล้วก็การรับรู้ต้องรู้ในขณะนั้นพอเขาแปลคํานาสิทธาปุ๊บอีกคนนึงก็เข้ใาใจกันได้ครับไม่ใช่ต้องมานั่งนึก น, นั้นนะเมื่อกี้ท่านว่าอะไรนะอ๋อท่านตึงอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับยังไม่เป็นตึงต้เข้าใจเหมือนกับว่าพูดกันธรรมดานีเลยพอเขาแปลคํานาสิทธาแล้วก็ดูเรื่องอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นฝึกถ้าเกิดว่าคือ ไม่ได้แลาทำไม่ได้คาตีก็ต้องไปมาต่างครับถ้าพูดถึงว่าขนาดนี่ยนะขนาดว่าแม้ตัดโกงออกไปนะครับถ้าว่ามีผ้าบางรูปน ะ, ะถูกความไม่ยินดีเนี่ยจะสึกมากนะไม่ยืนยันสนามที่บีบคั้นเต้นที่แล้วจะสึกตรงนี้ก็ไม่ได้ไอายเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะว่ามาอะไรบ้างหายอย่างนะก็เลยไปไกลๆที่หนึ่งนะครับ ไม่ไปหาใครนะไปที่ไกลๆนะไปตามฝ่าตามหิวแล้วก็แล้กแต่งก็แล้วก็ไปตะโกนไปดังๆเลยโดยคิดว่าขอให้ใครสักคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นได้ยินเสียงของเราแล้วก็พูดลงไปเลยใช้คำพูดถูกต้องนะครับถ้ามีใครสักคนนึงรู้เรื่องเข้าใจความในขนาดนั้นเป็นน้ำสึกกันครับอืมนะแต่ที่มันเข้าใจยังรู้ยากเลย เราจะรู้เรื่องอย่งเงี้ว่ามีใครอยู่บ้างใครรู้เรื่องบ้างใช่ไมืมอัน น, น, นี้อันนี้ก็ไม่ได้นะคือไม่บอกว่าคํานั้นน่ะจะแปลได้หรือไม่ได้เขาแล้วแต่ขอให้เข้าใจว่าการที่พาอพูดนี้คือพ่อต้องการจะสึกต้องการเป็นคาวาวาสแล้วเอกสารจะสึกแล้วอย่างนี้ใช้ได้นะอย่างนี้เาใจนี่ใช้ได้ พ่อตัวใหญ่เวลาท่านแปลภาษาบาลีเนี่ยนะเมื่ อ, อ, อนแปล ไ, ไ, ไม่รู้เรื่องเอ๊ะอะไรแปลว่าใหญ่ๆไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมแปลไม่ออกแต่รู้ว่าคนที่พูดอย่างนี้นะ่เข้าใจเข้าใจว่าท่านจะสืกแล้วเนี่ยท่านกระสังแล้วท่านจะเป็นขริคฐานแล้วนี่นะก็ถือว่าเป็นการสืใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าแปลได้เลยนะพะุทธังประจักษานี่เนี่ยแปลได้เลยข้าพเจ้าบอกคือมุตเจซาใช่ไหมแต่ว่าไม่เข้าใจว่าท่านสืบหรอ แปลได้แต่ไม่รู้ว่าคําพูดนั้นเป็นคำศึกเนี่ยก็ไม่เป็นอันลาไม่เป็ น, น, นอันศึกนะระับเพราะภาษาไทยก็ได้นะภาษาไทยก็ได้ออ๋ อ, อกับมน้นเท่านั้นนะครับย่านจันทิบาลข้างหน้านะครับกับเทวดาก็ไม่ได้ครับท่านบอกว่าเพราะว่าเทวดารู้เรื่องไวเกันไปเป็นมปัญหานวานผิดงานของคุณพรธเจ้านะครับ ที่ว่าภาพวิสุมารุนกับกล่องใช่ไหมอาจจะเกิดคิดจะสึกกระทันหันนะแต่ถ้าผ่านระยะเวลานั้นไปแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากจะสึกก็ได้ถ้าเราไบอกกับเทวดาพวกเทวดาจะรู้เรื่องทันทีเพราะเทวดาส่วนที่ดุจสีห์เห็นจะไม่เร็ไวไวนะครับแต่พระองค์ทรงข้อมหาปัญญาว่าเนี่ยขอให้วิสุทธิ์ที่สึกกับกล่อนี้นะอย่าคืออย่าพูดยังไงดีนะอย่าชิมหายไปไวๆเลยนะครับถ้าจะํานวณยังไงนะ ก็คืออย่าขาดในความเป็นภาพเวอรไวยนะครับนี่นะปัญคนวิที์กีก็เลยให้ร็จกับมนุษย์เท่านั้นนะครับเมื่อก่อนเนี่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นันเป็นภาพก็เป็นเป็นภาพถือว่าจะเป็นหับ้านที่เมื่อนัแล้วก็ไปทำศีรษะแล้วก็ไปเข้าโรงรมาบอกว่าเข้าสื่แดบเออเ้าไปจุดเขาบอกเขาบอ คนออนี้ถ้าแค่สึกหน้ึกนะหญิงรู้เรื่องอะไรกันถูกต้องก็ถือว่าเป็นการสึกแล้วครับคือคนนี้เนี่ยบางทีถ่าแกอาจจะรู้วินัยข้อนี้ว่าเกี่ยวกับการสรึกเนี่ยเยขาก็เลยใช้วิธีว่าสึกก่อนกับหญิงคนนั้นแหละก็ถือว่าเป็นโยมแล้วแล้วก็ถอดผ้าเหลืองออ ก, กแล้วก็ไปมีอะไรกันแล้วก็ไปเป็นโยมไปเลยนะถือว่าสึกแล้วเนี่ยแต่พออะไรแล้วก็มาขอกำบบุตรทีหลังใช่ไยมครับ ก็หวดได้นะก็ไม่ได้เป็นประลาชี่เพราแกเสร็จไปแล้วนะครับอย่างนี้นะครับแล้วคุณทราบถึงการไม่ลาสิกขาก็ด้วยความไม่มีแห่งจิตเป็นต้นนั้นถามว่าเป็นอย่างไรต่อว่าจริงอยู่การลาสิกขาสําเร็จได้ด้วยจิตคิดจะครับต้องมีจิตคิดจะสึกนะถ้าจิตไม่มีนะก็พูดไปก็ไม่เป็นสึกนะครับอย่างเช่นเรามาเรียนอย่เดี๋ยวผมก็ต้องอ่านให้ฟังแหละ แต่ทนนี่ไม่ได้เป็นคำลาไม่ได้เป็นจิตเราไม่มีกิจสิทธินะเราพูดไปก็ไม่เป็นสิทธิ์หรอก mm hmm. เมื่อพิสูจ์พูดเล่นๆหรือพูดพลาไปครับประสงค์จะเล่นหรือว่าทั้งหรือต้องการจะพูดคําอื่นนะแต่ดันไปพูดคาดําลาสิกขาออกไปครับ mm hmm. การลาสิกขาก็ไม่สําเร็จนะอย่างนี้ชื่อว่าการลาสิกขาเนื่องด้วยจิตต้องมีจิตที่สําคัญอันดับแรกเลย mm hmm. ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นสิทธิ mm ์ hmm. เมื่อไม่มีความคิดอย่างนั้นชื่อว่ายังไม่ลาสิกขาครับอันนี้ข้อแรกนะครับเช่นเดียวกันบรรดาบทที่เป็นเขตแห่งการลาสิกขาสาสิบสองอันเป็นยีิบสองนะครับยีิบสองเหล่านี้ได้แก่อันนี้สิบสี่บทในเล่มใหม่ผมจะเขียนมาให้นะครับมีคําบอกว่าการลาสิกขาด้วยการบอกคือเพราะลาสิกขาจะมีสองแบบนะอีกแ บ, บ่ง เขียนตรกเล็วให้ข้างล่างนะครับราสิกขาด้วยการกำหนดภาวะที่ประสงค์จะเป็น อ, อันแรงด้วยการบอกคืนก่อนมีอยู่สิบสี่บทด้วยกันมีคำว่าพุทธะเป็นต้นที่กล่าวไว้อย่างนี้คือพุทธังปจัจจคามิขปเจ้าสละทิ้งบุธเจ้าเอาแค่บอกคืนก็พอนะครับสละทธิ้งสืงหูหนักเลยนะ <c oughs> ถึงวมาจะสื่กลไปเนี่ยแต่ก็ยัง ขอเป็นหนูบาศใช่ไหมพูดถึงพระสนเทศเสริมพระธรรมประสงค์เป็นสนานะครับแต่ศาสนาท้งนะโว้ยรู้สึกหนักเกินไปนะนะครับเนี่ยก็แปลว่าบอกคืนกันแล้วกันนะครับธรรมังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนพระธรรมสังคังปัจจกคามิข้าพเจ้าบอกคืนประสง์สิกรั้งปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนสิกขาที่นิยมก็ไม่ที่สุดคือสิกขังปัจจคามิเพราะว่าพุทํางธรรมสังคังบางทีรู้สึกว่าอย่อยยีนี ใครบอกเป็นพระพุทธธรรมสองล่ะเอาเป็นสีขาพองเนี่ยของประเทศไทยก็นิยมใช้คำนี้ครับเป็นสีขาไปวินัยามงปัจจคามิขัาพเจ้าสลัดทิ้งวินัยปารติโมขังปัจจามิขัมมะเจ้าสลัดทิ้งปารติโมอุเทสังปัจจามิขัมมะเจ้าบอกคืนอุเทสอุปชายังปัจจามิขัมมะเจ้าบอกคืนพระอุปชาอาจะได้ยังปัจจคามิขัาพเจ้าบอกคืนพระอาจารย์ สัตที่วิหาริกรรมปัจจกขคามิขปเจ้าบอกคืนสัตวทีวิหาริเพราะไม่ม <Ice. S 1> ีอาจารย์แล้วก็บอกคืนลูกศิ์นี่แหละนี่เหมือนกันนะครับอันเตวาสิกรรมปัจจคามิข้าปเจ้าบอกคืนอันเตวาสิสัตวทีวิหาริคือลูกศิษย์ของอุปชาครับอันเตวาริก็เป็นลูกสิษย์ของอาจารยนะชี้อนาๆกันหน่อยอสัมมานุปัชาญิกรรมปัจจขามิข้าพเจ้าบอกคืนพิสุผู้ลูกอุปชา อันนี้ขอแก้นะครับพิสุผู้ปูนนะปูนี่ไม่ใช่นี่ครับเป็นพิสุผู้ร่วมประชาหมายถึงพิสุที่มีอยู่ประชาเดียวกันของเราน ะ, ะสมานาเสรียังปัจจคามิข้าพเจ้าบอกบอกคืนพิสุผู้ผร่วมอ า, าจารย์เดีกันของเราที่มีอาจารย์เดียวกันของเราน ะ, ะสัพพมาจาริงปัจจคามิข้าพเจ้าบอกคืนเพื่อนโทมจารี หิม ก, กันแล้วบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนบสานด้วยกันอนย่งครับที น, นี้ไม่ใช่เฉพาะคํานี้เท่านั้นนะแต่เช่นพูดทางธรร ม, มาสังคังเป็นต้นนะครับถ้าบอกว่าแม้แต่คําพูดที่เป็นคำวัยพจนของพระพุทธตาสประสงคนะก็เป็นคำลาศิกขาได้เหมือนกันอย่างเช่นคำว่าพูดโทมีคําอะไรอีก่ะพระทศพลใช่ไหมพระาศาสดานะไล่ไปเลยนะก็สย่ยำพูพูดโทและลสัพนโอสถหา สพันยูทิปตุตโมมุนินทะพะคะวานะาถนะครับนะและแย่ๆเลยครับครับเกี่ยวกับค้วมาผู้บุกพุทเจ้านะก็ใช้เป็นคำนามสินค้าน่าเหมือนกันะนะครับถ้าจากพลังนะี่ปัจากฮ า, ามิพรมเจ้าของบอกคืนพระทศพลนี้ครับนะ <c oughs> ก็เป็นเนะัมอนกันยำพูหรือยำพงมัจากฮามิใช <c oughs> ใ่ว่านะ สัมมาสัมพุทธังอนันตพุททิงโพี่ปัญญานังวิชิตาวิชยนะครับเป็นต้นนะมแม้แต่พระธรรมก็เหมือนกันนะครับก็ว่าสว่างค้าตังคำมังอาการที่กลางคมังนะเยอะนะครับงานได้หรือแม้แต่ว่าบอกคือเป็นจินติกายก็ได้ทีขั้นการยังถ้า <c> ธ <oughs> รรมใช่ไหมครับเนี่ยก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยก็เป็นพระธรรมอย่างปริยัตินะ แล้วก็บอกคือบรรทนนิกายก็เป็นบอกคื อ, อนะครับอาร์ติธรร ม, มังเนี่ยวินัยยังอาร์ติธรร ม, มังนะครั บ, รบ อ, าอากุสลากรธรร ม, มังนะง่าย<ม>หมดเลยนะครับถึงนิพานังนะประจักษานี่เนะี่ยบอกคือนิพานนะครับต่อไปและแปดบทมีคําว่าขี้หิตเป็นต้นที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่าอันนี้เป็นการอธิกขานด้วยการกําหนดภาวะที่ประสงค์จะเป็น หรือภาวะที่อยู่จากที่สูขขงนครับจะไม่มีการบอกคืนแล้วแต่จะกําหนดภาวะที่ตัวเองต้องการจะเป็นที่ฮีติมังทาเรหิท่านจงรองรับหรือว่าทรงจําก็ได้ข้าพเจ้าว่าเป็นคฤหาสนภาษาไทยเขาจะนิยมว่าทั้งสองคำเลยสิทั้งประจักษ์หามิที่ฮีติมังทาเรหิวันนี้เขาใช้คำว่าทาเลฐานนะครับใช้คำว่าฐายใช้ในฐานเคารพบานเป็นประหุคศ ใช้ถึงแม้แค่บุคคลเดียวในฐานะเขาเก็ใช้ถาได้คนไทยก็ยินดีโยงเพราะว่าคาลีถาบางคำก็ยังเป็นปัจจุบันการใช้ได้นะครับกวหมายก็ได้ถ้าไม่แต่ว่านี่ตามหลักภาษาบาลีใช้หิใช้ถาผู่พจนียกบุคคลคนเดียวก็ในฐานะเขาเราก็ใชอุปาสกติมังหาเรหิท่านจงรองรับข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสก นี่นถึงศึกก็ขอปเป็นหนูบาง ค, ครับเนะี่ยอันนี้ดูเบาวหน่อยนั้นไม่ได้บอกคือะไรนครับอา阿ามิโกติมังหาเรหิท่านจงลองรับข้าพเจ้าว่าเป็นคนวัดสมเนโรติมังหาเรหีท่านจงรับรับข้าพเจา้าเป็นสมัมเนยคนทต้องการศึกเป็นเนเนี่ยก็ใช้คํานี้ได้เลยนะไม่ต้องไปบวชเนอีกทีหนึ่งหรอกก็จะเป็นพาะก็ศึกเป็นเนก็เป็น เ, เนยได้ลยสิทธิโยติมังหาเรหิ ท่านจะรองรับข้าพเจ้าอ่าเป็นยีราถีโอ้อันนี้ไม่ดีนะต้อง <c oughs> การเป็นยีราถีนี่าไรขอจึงเป็นยีราถีเท่ติทยาสามโกติมังธาเรหิท่านจงลองรับข้าพเจ้าว่าเป็นลูกศิษย์ยราถีอัสมโนติมังคาเรหิท่านจงลองรับข้าพเจ้าว่าเป็นผู้ไม่ใช่สมณะอาสกยะปุตโตติมังธาเรหิท่านจงลองรับข้าพเจ้าว่า ไม่ใช่สารการยบุและก็คําที่เป็นคําำวิพจก์ของคอําเหล่านี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเช่นวิพากษ์ของค้ารืหันนั้นก็จะมีอะไรการตะโกจงจํำข้าพเจ้าว่าเป็นชาวนะวาีิโชวเป็นพ่อค้านะโคลักโคลักโคเป็นคนเนื้อวัวเป็นต้นนะครับนี่เป็นคำวิพจน์ของค้ารือหันก็เสริมขึ้นอนะีกครับแม้แต่เป็นนี้นะกับปิยาการะโกติมังธาเดหี ท่านโดนทรงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นกับปิยกาโลกมิถึงเป็นกับปิยากาโลว้ยมวัจจการแล้วนี้ครับท่านบอกว่าคําพูดพวกนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเขตนะครับท่านเรียกว่าเขตเพราะว่าเป็นที่หอกขึ้นแข่งการลาศึกษาเป็นที่ตั้งนะเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งการลาศึกษาเรียกว่าเขเหมือนกันนานะครับนาภาษามีเรียกว่าเขตเขตานะทำไมเรียกว่าเขตานะครับ เพราะเป็นที่งอก้อขึ้นแห่งข้าวกล้าชั้นใดนะครับคำพูดเหล่านี้เป็นที่งอกขึ้นแห่งการนาสิกข า, าเรียกว่าเขตของการต่อไปนะ ค, ะนนะครับอีกนิดหนึ่งเมื่อพิสูจต้องการจะกล่าวคำใดคำหนึ่งกลับไปกล่าอีกคำหนึง่งนะการนาสิกขาถือว่าสําเร็จเพราะเป็นคำที่ใช้แทนกันได้ต้องการจะพูดว่าพูดทางปัจจขามิให้ในพูดว่าธรรมปัจจขามินะก็ะเป็นสิ่งที่ทัน เมือ่อวิสุเอ่ยชื่อต้นไม้เป็นต้นอย่างไรอย่างหนึ่งลาสิกขาการลาสิกขาถือว่าใช้ไม่ได้เช่นโพที่ลูกขังปัจจังข า, ามิเนี่ยขัปปะเจ้าขอบอกขึ้นต้นโพหรือว่านี่โครทังเนี่ยขอบอกเป็นต้นใสนี้นะนี่ไม่ขึ้นนะงอับการลาสิกขาเนี่ยด้วยเขตกําหนดได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่มีเขตอย่างนั้นชื่อว่ายัางไม่ลาสิกขา ในการบอกลางสิกฐานั้นการบอกที่เป็นปัจจุบันการใดต้องเป็นคำที่เป็นปัจจุบนับานาบด้วยนะครับที่กล่าวไว้แล้วว่าปัจจักขามิข้าวเนียมบาลีเราจะรู้ว่าคําว่ามีเป็นปัจจุบันการข้าพเจ้าสาะและว่ามังธาเลหิคําว่าหีก็เป็นปัจจุบันการจนลองรับข้าพเจ้าไว้บวกกับสี่บทเหล่าใดว่าอารังเมเป็นต้น ที่พิสุจน์่าในระบบการตามอาขยะอาขยาก็คือเป็นสัพ์การกิริยากิริยาสั่งกาวรวมการสิ 4, 4บสี่บทข้างต้นกาวรวมกังสีบทข้างต้นไว้เป็นต้นอย่างนี้ว่าทํานาใช้คําพำที่เป็นปัจจุบันาการถึงเวลาสิขาได้ถ้ามันใช้คำที่เป็นปัจจุบันาการก็ใช้คำเหล่านี้สี่บทต่อไปนี้นะอลังเมพุเทเถนะพอทีพระพุทธเจ้าสนับเรา แต่นี่นี่โหหนัากลัวแล้วแต่ละอย่างนะครับลองฟังเนยพรทีไม่เอาแล้วพุทธเจ้านะ <c oughs> นีนค่ครับกิ่งนุเมนพุทธเถนะ พ, พุทธเจ้าไม่มีประโยชน์สําหรับเราเลยครับโหแต่ละอย่างนี่หนักเลย<ห>นะมัมมัทโหพุทเถนะเราไม่ต้องการพระพุทธเจ้าอีนครับสุมุตตาหังพุทธเถนะเราพ้นดีแล้วตับพระพุทธเจ้าอารังเมทำเมน่าไหม คำมัสังข้าก็เหมือนกันนะเหมือนกันพอทีสับพระธรรมสมาเราเขาละพอาจะอึดอันมากนะอย่างนี้ก็เป็นการลาสิกขาเหมือนกันการลาสิกขาย่อสมเด็จได้ด้วยบทเหล่านั้นซึ่งใช้แทนกันได้แต่เมื่อพิสูจ์กล่าวคําที่เป็นอดีตอานาคตหรือปริกำปริกัำคือไม่แน่นอนเป็นต้นว่างปัจจคิงข้าพเจ้าสละแล้วปัจจคิดสังข้าพเจ้าจักสละ เป็นอนาคต น, นะไม่ได้มังทาเลสิท่านจงจํำข้าพเจ้าไว้แล้วมังทาเรสสิท่านจักจํำข้าพเจ้าไว้นไม่ได้หรือว่าใช้คําที่ไม่แน่นอนว่ายันนูนาหังปัญจเคยยังกระไรนอเราการาสิกขาเมื่อเป็นคำลำพูนลำพันธ์เฉยเฉยนะครับยังยไม่ได้บอกความแน่นอนมีว่ากระไรนอเนี่ยการาสิกขาชื่อว่าไม่สําเร็จก็การาสิกหา ย, ย่อดสาเร็จได้ ด้วยการกล่าวที่เป็นปัจจุบันนะครับและการกล่าวมรระบุคคลก็สี่บทที่ว่าเมื่อครับตามที่ได้อธิบายมาอย่างนี้เมื่อไม่มีการบอกตามวิธีที่ว่ามาชื่อว่ายังไม่หรักษาอันนี้ก็ได้ได้ได้สามข้อใช่ไหมครับจิตที่จะสื่อเขี่คือคำพูดที่ถูกต้องและก็การใช้คําพูดที่เป็นปัจจุบันกาศครับแล้วบางทภาษาไทยมานําบา เพราะว่าเอ่ะเป็นการไหนกันแน่อย่างนี้นะแต่ว่าบาลีนะับข้อในกำหนดกันเลยว่าถ้าสันี้คือปัจจุบันอดีตอนาคต